เทศในคืนวันที่24สิาพ ง, พสง 2, 18, าคมพศ2518ณวัดปาบ้านตาก จ, จังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าปา่าคุณชวนสอนสงครามวันนี้ท่านทั้งหลายได้ลากรงนาอยไยห้ายทาง เพื่อมาตามว่าต่างๆเรียกว่บบาบัณฑิตผที่อํางานความดีสาหรับคนจึงเป็นเรื่องอย่างมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยเว้นในการให้ทานทานเป็นหน้าฐานรับทานสาหรับหมู่คนที่อยู่ด้วยกันแม้แต่สัตว์ที่เกี่ยวข้งองกันกระยองต้องมีทางที่การให้การเสียสละโลกคธาตุการ เสียตลาดคือการให้ทานคือความเห็นแก่กันและกันเสียเท่านั้นก็เป็นโลกที่ขึ่งเย็นหรือ ม, มีความแน่นหนา ม, มั่นคงสงบร่มเย็นไปไม่ได้เลี้ยงทานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่อบุคคลและสัตว์ทั่วไปที่อยู่ด้วยกันพระโพธจ้ากพลัํามลือในเรื่องการให้ทานยกตัวอย่าง โดยเฉพาะก็คือเข้าเวทซันดอนทานแจกจนไม่มีอะไรจะทานแล้วชาวบ้านเขาไม่พอใจขับหนีจากบ้านต่างเมืองพระองค์ก็ยอมแต่การให้ทานนั้นไม่ยอมเข้าไปอยู่ในป่าเ้าวงกดแล้วไม่มีอะไรให้ทานก็ยกคัญหาจะรีให้ทานแจกพิชก็งัะจะมีใครจะขอทานต่อไปอีกพระองค์ก็ ไม่ทรงย่อท้อในการให้ทานมีเป็นเรื่องอย่างของนักปราชญ์จอมปราชญ์ก็คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนเรื่องทานก็เหมือนมามันเป็นความจำาเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นฐานของโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากถ้าขาดทานเสียแม้แต่พอก็อแม่ลการขาด ท, ทานเสียละสล ะ, สละความเห็นแต่โวออกเพื่อผู้อื่น มีเยาวการให้ทานท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโดยลําดับลําดาตามเยี่ยมอย่างแต่เพือมีของก็พุทธิจารและนักปราทั้งหลายที่ท่านพอดมนค์มาเนียคือผลลมทานเป็ น, เ ป, นเป็นบุญเป็นผลในด้านหนึ่งเจตนาที่พร้อมที่จะเสียสละก็นับเริ่มแรกมาตั้งแต่วันดํำมิตรทีที่จะให้ทานท่านทั้งหลายได้ได้ทานมาเป็นลําดับหลายวัดหลายว่า และยังจะให้ทานต่อไปอีูจนกระทั่งถึงบ้านถึงเดือนแล้วยังไม่หยุดให้ทานเป็นกิจวัตรประจําอยู่ในบ้านในเรือนของตนทานเหล่านี้อ ย, ยูเป็นคุณฑุมัติแจกตนด้วยเป็นกุลางความดีเป็นความสุแกแจกตนด้วยแจกผู้ที่ได้รับด้วยสิ่งของที่เราเสียสนับไปนั้นเป็นประโยชน์แจกท่านผู้รับไปจํานวนมากน้อยเช่นไรก็เป็นประโยชน์แจกผู้รับไปมากน้อยเียงนั้น ส่วนคุณลคุณบุญที่เกิดขึ้นจากการเสียสละนั้นเป็นความสุขเป็นบุญคุณผลแก่เราเป็นความสุขแก่เรามากน้อยจากนั้นเช่นเดียวกันจึงไม่เสียทั้งสองด้านสองทางคือผู้ได้รับจากการให้ทานของเราก็เป็นประโยชน์เป็นความสุขความสบายจากวัตถุสิ่งของที่เราได้เสียสละให้ทานไปเราเองที่เสียสละซึ่งเป็นตัวการสําคัญก็ได้คุณงามความดีจากการเสียสละที่เรียกว่าบุญคุศล จึงไม่เสียทั้งสองทางเรื่องพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้มีความกว้างขวางพระพุทธเจ้าทรงกว้างขวาง ม, ม, มากในโลกธาตทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ทั้งนั้นไม่ว่าจะสงเคราะห์ในด้านใดที่ควรเนไปได้พระองค์ไม่ทรงยอดท้อสงเคราะห์โดยการให้ทานวัตถุจริงของสงเคราะห์โดยอัดเบ็ดทำสงเคราะห์โดยพระเมตตาสงสารต่างๆ เปเินพระเมรุา ไ, าไปทั่วโลกษาประกาศธรรมสอนโลกมาเป็นเวลาเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์พระาัสดาของเรานี้ได้สงเคราะห์โลกมาทั้งด้านวัตถุและนามมาทำเป็นเวลาสีาพระพรรษาจึงได้ปด็จฐ์กรณิผ่านต่อจากนั้นก็มีพุทธบริษัททาหน้าที่แทนพระองค์ย้วยมาดังที่เราทั้งหลายได้ทำหน้บัดนี้ คือว่าดําเนินตามเยื่องอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าที่พาดาําเนินมาในขาดวักขาดตอนผล ง, งานความดีทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะทําให้โลกได้เป็นความสุขความสบายและเป็นที่ชื่นตาชื่นใจแกชื่นหูได้แก่แก่ผู้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้คิดได้อ่านตามเรื่องความดีของเราที่ เ, ทเสียตลาดนี้มีแล้วยังเป็นความดีสำหนับเราทั้งปัจจุบันยา น, นาคตอีกด้วย เพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยงามความดีตลอดไปจนกระทั่งพ้นจากโลกหรือว่าตักสงสารความมุ่นเยียนในการเกิดการจายนี้เสียมเมื่อไรเราจึงจะได้หมดปัญหาในเรื่องการอาศัยหรือการเสวยให้เราทุกท่านได้ทำความสนใจต่อศาสนาสศาสนาอยู่กับเราทุกคน ไม่ใช่ศาสนาอยู่ในคัำพี์ในตู้ในหีบอันนั้นเป็นตำราของศาสนาท่านชี้แจงสั่งสอนเข้ามาสู่พวกเราผู้จินับถือและปฏิบัติตามศ า, าสนาแล ะ, ะนําผลเข้ามาสู่ตัวด้วยการปฏิบัติ ก, การปฏิบัติศาสนานั้นก็คือเราผู้ทํานี่เองเป็นผู้จะได้รับผลเพราะฉะนั้นศาสนาจึงอยู่กับตัวของเราศาสนาเป็นคุณสมบัติทางด้านจิตใจเป็นสิ่งสําคัญมาก เมื่อทางด้านจิตใจมีศาสนาประจําตนการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆก็ย่อมมีความสวยงามลุกมีความร่มรื่นและตามกันกับทางด้านจิตใจขั้นระบบสุดท้ายภายหลังขอจะได้ห่างเหินจากศาสนาธรรมซึ่งเป็นของตายตัวคือเป็นคําที่ถูกต้องดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ การหันเหินจากพุทธศาสนาหรือจากศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นของดีในขณะที่ห่างเหินการกระทำความไม่ดีงามทั้งหลายก็จะมีความใกล้ชิดสนิทเข้ามากับกายวาจาใจของตนเสมอไปความเดือดร้อนจะต้องเกิดขึ้นโดยลําดับเพราะการทํำผู้ต่างๆซึ่งไม่เห็นศาสนารรเป็นของสำคัญคนที่ไม่เห็นศาสนารรเป็นของสาคัญก็คือคนไม่มีความสําคัญภายในตนนั่นแหละไม่ใช่ที่อีกื่นใดเลยคนที่มีความเห็นความสําคัญของตนก็ ก็ต้องเห็นศาสนาซึ่งเป็นเครื่องคำสอนแนะนําแนวทางที่ถูกต้องมีงามทั้งทางถูกและทางผิดทั้งทั้งทางถูกมีผิดและทางผูกและพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายนั้นให้ห่างไกลจากกายวาจาใจของตนและพยายามส่งเสริมปรุงงามความดีอเป็นเป็นไปในทางความประพฤติคือกายวาจาใจอันมีงามให้ตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นผูท่านนั้นที่ว่าเป็นผู้มีสาระสําคัญ จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามคนที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องกระดับกายวาจาใจแล้วย่อมเป็นผู้มีมารยาทอันสวยงามเป็นผู้สุ้มเย็นอยู่ภายในจิตใจการจะคลองยาวควองเวือนก็ดีถ้ามีคุณธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจเลยแม้จะมีสมบัติพระสถานจํานวนเป็นล้านล้านก็ตามก็หาความสุขไม่ได้เพราะอาจจะนําสมบัติเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นพืชไทยแก่ตนเองไม่มีชิ้นสุดตลอดถึงอยู่าหลานเหลีย โดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเรามีศาสนาธรรมคือคําสั่งสอนประจําจิตใจเรียกว่ามีธรรมภายใจย่ยอมจะทราบและย่อมจะรู้จักวิธีปฏิบัติตนเองต่อสมบัตินั้นๆที่ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเชียงไรสมบัติมีมากน้อยก็เป็นประโยชน์แต่ตนสมว่าตนมีสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องสนองความต้องการโดยไม่เสียหายในทางตัวที่เป็นเจ้าของ แล้วคุณระบบสุดท้ายภายหลังเช่นดุจตัางล้านเลนของเราเมื่อเห็นพอแอคกานําเน้นในทางที่ถูกที่ดีก็เป็นแบบเป็นฉบับเดียึดไปเป็นข้อปฏิบัติต่อไปความเจริญรุ่งเรืองของโลกก็คือความเจริญรุ่งเรืองของบุคคลนั่นแหละครับคนทําถูกต้องดีงามความเจริญของบุคคลความเจริญของโลกก็มีความเกี่ยวเนื่องกันย่อมจะมีความเจริญและสงบสุขไปได้แต่ถ้าปราศจากความปราศจากศาสนธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามนี้แล้ว แต่ว่ามีความรู้ความเฉลียวขนาดมากน้อยเพียงไรก็ตามซึ่งเป็นไปด้วยอํานาจของชีเรียสัญหาจุดล่าภปนั้นย่อมจะหาความเจริญไม่ได้ทางด้านจิตใจแม้วัตถุสิ่งของจะมีความเจริญมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ทางด้านจิตใจจะเหี่แห้งยุบย่อลงเป็นลํำดับลำดับหาความสุขไม่เจอเลยทั้งๆที่วัโลกเจริญมันเจริญแต่ด้านวัตถุแต่หาความเจริญทางจิตใจคือความควบเยินเป็นสุขทางทใจไม่ได้โลกมันก็ร้อนที่ใจ เราจะยึดประยชนอยู่หอประสาทราชธรมเทียรเป็นกี่ร้อยกี่พันชั้นก็ตามผู้ที่มีความรุมร้อนด้วยกันเท น, นั้นไปอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหมดเช่นเดียวกับคนไข้ที่เป็นไข้หนักหรือไข้เบาไข้ขนาดไหนก็ตามชื่อขึ้นชื่อว่าคนเป็นไข้อยอดเป็นคนที่ทรมานตนมีความทุกข์ความทรมานจะให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลชั้นไหนกี่ร้อยชั้นพันชั้นก็ตามก็จะไปร้องไปครางไปทรมานตนอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง น, นั้นๆโดยหาความสุขไม่ได้นั่นเอง มีน้องใจที่หาความเจริญไม่ได้นีก็เหมือนกันแม้จะนอนอยู่บนกองเงินกลองทองก็ไปร้องไปค้างอยู่ที่กองกลองทองเพราะกองเงินกลองทองสมบัติเหล่านั้นก็สักแต่ว่าสมบัติจะหาความสุขความเจริญให้แก่คนไม่ได้ถ้าคนไม่ตอบแสดงให้ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นนี่จะแต่ตนเริมความเฉลียวฉลาดของตนเพราะฉะนั้นคุณธรรมจึงเป็นช่องทางที่จะยังบุกคนให้มีความสุขทั้งคู่เป็นคนทุกคนมีคนโง่คนฉลาดก็ตาม ถ้ามีคุณธรรมภาจิตใจแล้วพอจะหาความสุขได้เราอย่าไปหวังว่าความสุขจะมีอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนอย่าเข้าใจว่าความสุขความเจริญเดี๋ยวจะไปอยู่คัสทิพระจันทร์มันอยู่กับบุคคลความทุกขก็เผาร้นที่กายใจของคนความสุขก็มีความเจริญรุ่งเรืองนี่มีความสงบร่มเย็นที่กายที่ใจของคนและตัดนี้เท่านั้นนี่เป็นสถานที่อยู่แห่งความทุกขและความสุขไม่อยู่ในสถานที่ใดนอกจากกายกับจิตของตัดโลกนี้ การที่จะพื้ตัวให้มีความสุขความสบายตามความมุ่งหมายนั้นต้องฝึกหัดตัดแต่งตามหลักธรรมซึ่งเป็นเสียงคิดทางเดินอันถูกต้องดีงามท่านพระพุทธเจ้าท่นานอย่าวศวขาตธรรมพระองค์ตรัสไรชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติแก่คนทุกท่านทุกวัยผู้มีศีลมีธรรมในใจจึงเป็นผู้สวยงามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเด็กเด็กก้อนน่ารักหน้าเมตตาสงสารผู้ใหญ่ก็น่าเคารพ บ, บูชา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 ต่างคนก็ต่างเกิดมาด้วยแบบกลุ่มดาวด้วยกันเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วจึงทราบว่าตนเป็นมนุษย์ทราบว่าตนบิ น, น, นเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายแล้วอะไรเป็นผู้พาให้มาเกิดเราทราบได้หรือไม่นี่เราไม่ทราบได้เลย ท, ทั้งทั้งพฤกรรมที่จะทําให้ยิบากแห่งกรรมที่จะทำให้มาเกิดก็คือเราเป็นผู้ทําเองยิบากแห่งกรรมนั้นแหลเป็นผลหรือมีอํานาจอันสําคัญมากที่จะส่งจัดทั้งหลายให้ปเกิดในฐานที่ต่างๆกันดังที่ท่านกลาดไว้ว่ากรรมมังสเตยิพัชติ กรรมย้อําำแนกแจกสัตทั้งหลายให้เป็นต่างๆกันอย่างนี้ไม่ใช่อื่นใดที่จะจําแนกแจกสัตว์นอกจากกรรมแลว้วมัมีอันใดที่จะมีอํานาจวาสนามาจําแนกแจกสัตว์ในโลกนี้ได้ให้เป็นไปต่างๆกันนอกจากกรรมที่ตนทําดีชั่วนี้เท่านั้นเพราะนั้นผู้เชื่อตามหลักธรรมจึงเชื่อในการกระทําของตนและพินิจพิจารณาวินิจฉัยในการกระทําของตนตามหลักธรรมท่านว่าว่าท่านว่าไว้ว่านิ ส, านาสัมมะกระนังไสโยให้คร่ควรซะก่อนก่อนที่จะทําสิ่งใดถูกหรือผิดเมื่อคา่ควร ก่อนนี้ค่อยทานั้นไม่ค่อยผิดพลาดเมื่อการกระทําไม่ค่อยผิดพลาดผลจะเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะการรมเป็นผู้บงการอยู่แล้วในทางที่ถูกผลจะพึงถูกเสมอไปความถูกก็ต้องติดตามมาด้วยความการกระทําที่ถูกต้องนั่นแหละเราทั้งหลายเป็นผู้เกิดในวงแห่งกรรมเราอย่าลบล้างกรรมด้วยความไม่เชื่อว่าการทําชั่วไม่ได้ชั่วการทําดีไม่ได้ดี เมื่อเราเกิดในวงแห่งกรรมคือการกระทําอยู่โดยสม่ําเสมอทั้งหนีทั้งขั่วแล้วผลที่จะติดตามมาคือความสุขความทุกข์นั้นย่อมเป็นไปอยู่โดยสม่าเสมอเช่นเดียวกันไม่มีอันใดที่จะลบล้างกันได้นอกจากลบล้างกรรมกรรมคือการกระทํานั้นเสียผลจะไม่พึงปรากฏขึ้นมาได้เลยถ้าหากว่าการกระทํายังมีอยู่ตราบใดผลจะเป็นอยู่วันยังคําแม้เราจะปฏิเสธแับเพียงไรก็สักแต่ว่าคำพูดหรือความสําคัญของกฎเทนั้นแต่ความจริงจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยหลักศาสนา ท่านสอนลงที่จุดนี้แล้วการทําความดีดังที่เราทําทั้งหลายเราทั้งหลายทําอยู่เวลานี้ก็ดีหรือทําผ่านมาแล้วก็ดีการจําได้หรือไม่ได้นั้นไม่สําคัญในการกระทําความกระทํานั่นแหละคือการกระทําแล้วเป็นสิ่งที่จดจารึกไว้แล้วในภายใจิตใจแต่ไปสถานที่ใดเกิดสถานที่ใดก็ตามก็อํานาจแห่งยิบากที่ตนทําแล้วทั้งที่จําได้และจำไม่ได้นั้นแหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องกดท่วง ถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วก็นั่นแลเป็นเครื่องกดพวงให้ล่มจมลงไปโดยลําดับถ้าเป็นทางที่ดีก็นั่นและจะเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีความสุขความเจริญไม่ว่าจะเกิดในสถานที่ใดคติใดเป็นบุคคลนิสสัตว์ประเภทใดคุณงามความดีที่ฝังอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นนิสัยนั่นจะติดตามอยู่ตลอดเวลาผ่านเชิงสอนให้อบรมคุณงามความดีให้มีความสามารถแจกกล้าขึ้นโดยลํำดับเมื่อคุณงามความดีมีอำนาจมากขึ้นโดยลําดับแล้วผู้นั้นก็จะได้สูง ยกระดับสูงนั้นไปโดยระดับเพราะอํานาจแห่งผลแห่งกรรมของตนที่ตนทํานั่นแหลเป็นเครื่องยกตนขึ้นมาเองไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมีอํานาจวาสนายกบุคคลนั้นให้เป็นอย่างนั้นยกคนนี้ให้เป็นนั่นนอจากกรรมของตนที่ทําแล้วเท่านั้นจะเป็นผู้มีอํานาจวัสนาเหนือตนพระพุทธเจ้าก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ะทรงบําเพ็ญมาเต็มสติทัศนสติกําลังความสามารถตลอดมาเวลาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ เป็นเพข้ออำนาจแห่งความดีนี้เท่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะ ม, มาเสียกสรนพระพุทธเจ้าให้เป็นศาสตาขึ้นมาในโลกนอกจากการกระทําอันดีงามของพระองค์โดยลําดับที่สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งมีกําลังความสามารถเต็มที่แล้วก็ตรัส ร, รูปเป็นศาสดาเอกของโลกสั่งสอนประชาชนตลอดมาบรรดาสาวกทั้งหลายที่เรากล่าวว่าพุทธังธรรมทั้งทางทางนั่งกระถานี้ก็ดําเนินตามรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วปรากฏเป็นคนที่เสียวิโสขึ้นมาจากกรรมดีของตนที่ทําอยู่โดยสม่ำเสมอ เมื S <S. <S. ่อกรลีนี้กาลังมากก็สามารถสลัดปัดที่เลอะออกจากจิตใจกลายเป็นพระรหันต์บุคคลขึ้นมาซึ่งเป็นคนมิเศษดังที่เราได้กราบท่านได้รู้ถึงท่านแบบสพสังทางฉนังกระฉามินพุทธทางฉนังกระฉามิก็หมายถึงองค์ศาสดาผู้แต่ละรู้แล้วโดยชอบด้วยการประพฤติปฏิบัติอันดีงามทั้งหลายตลอดมา ทำมังสะนางกรจฉามีก็หมายถึงองค์แห่งธรรมที่บัณฑิตพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงได้ตรัสรู้ค้นพบได้นํามาประกาศสอนโลกเรียกว่าธรรมโมปฏิโปมีความสว่างกระจ่างแช้งอยู่ตลอดเวลาสั้งครังสะนางกระฉามีก็หมายถึงพระสงฆ์สาวกที่ดําเนินตามหนอยพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วยความดีทั้งหลายจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจเป็นชนะของพวกเราทั้งหลาย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 เวลาคนตายท่านสวดอากุศลธรรมะอากุศลธรรมาปยากตาธารรมะกุศลคือความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์จะสังสมขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ยและกุศลนี้แหลจะเป็นเครื่องสนับสนุนมนุษย์หรือสัตว์นั้นๆให้ถึงความค้นทุกข์ไปโดยลำดับได้อากุศลธรรมาคือความโง่เขลาบวปัญญาฝ่าฝืนหลักความจริงทั้งหลายทำไปตามอําเภอใจคือความชอบใจของตนนั่นแหลคือความโง่เขลาบวปัญญาและจะกลดทวงของตน จะกดทั่วตนลงไปโดยลำดับในสถานที่ไม่พึงปร า, ารถนาหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและอกุศลกรรมอันนี้แหละที่ทําด้วยความไม่ฉลาดทําด้วยความพวกเขาววชปัญญานี้จะเป็นเครื่องทรมานตนเองไม่ใช่สิงอื่นใดในโลกจำนวนนาศมากยิ่งกว่ากรรมไม่ดีที่ทําด้วยความไม่ฉลาดนี่จะเป็นเนครื่องกดขี่บังคับตนเอง <S <S อภิญญาตาทำมาหมาถึงกลับทำมากลากลางไม่เป็นบาปเป็นบุญมีสารโลกก็ทํากันอยู่ อย่าเราได้ยินตั้งแต่ท่านสวดเวลาคนคนตายเวลายังเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างเราจะสร้างกุศลอาุศลโดยมากเป็นคนเป็นทางนั้นทํากันไม่ใช่คนตายมาทําเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่ากุศล ค, คือความดีนี้เป็นเรื่องของคนเป็นทำเราก็บําเพ็ญคนคงานความดีเสียในเวลามีชีวิตอยู่นี้เวลาตายไปแล้วจะไม่เสียท่าเสียทีว่าตนได้เกิดขึ้นมาเสียชาต่อเปล่าไม่ได้บําเพ็ญคนงานความดีจะประสงค์จริงใดก็แม้รับ ต้องการสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะตนไม่ทําไว้ก็ได้ยินแต่ข่าวเขาอืข่า ว, ว่าท่านคนนั้นทํากุญงามความดีคนนั้นไปสวรรค์คนนี้ไปนิพพานคนนั้นได้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ได้มีสมบัติพระสถานเงินทองมากมายกายกองกคยได้ยินแต่ข่าวเขาเมื่อเราไม่ทําไว้ข่าวของเราก็ไม่ปรากฏเมื่อเราก็เป็นผู้ทําเองข่าวของเราก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตพระนิพ่านก็เป็นข่าวของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้ทํา จนพยายามทําข่าวของตนไว้ให้ดียิ่ยงกว่าข่าวคนอื่นเราอย่าไปสนใจข่าวคนอื่นเรื่องของข่าวของเราที่มันเคลื่อไนไหวไปมาอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนนี้ผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือพุทธศาสนาจึงควรสนใจในข่าวของตนที่จะเคลื่อนไหวไปในทางใดบ้างหนักในทางใดบ้างพยายามแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ดีและดําเนินในทางที่ดีเสมอจิตใจของเราจึงมีความชุ่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในโลกนี้ก็ร่มเย็น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 เราให้ด э ีเป่งค้นขว้าในพุณงามความดีเพื่อให้เป็นดหวักอันดีเป็นเครื่องติดตามเราเราจะได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกนี้และโลกหนาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจตเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้ขอท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาด้วยความเสียดฉลาทุกสิ่งทุกอย่างจงได้นําประญินิดพิจารณาและอํานาจทางกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญในวันนี้จงสมบูรณ์ในสันหลายทุกประการขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวัง ภูราปเรปูเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตสินนางเปตานางอุปกปะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิชฉาตุสะเพปูเรนตูสังกปาจานโพปนะระโสยทามิชโชติระโสยทัสพีติโยวิวชานตุสัพพโรโค วินัศตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีพายยโกภวะอภิวาทนาศสีริตตะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธ ร, รมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางสัพพุทธานุพาเวนะสัพพธรรมานุพาเวนะสัพพตั้งคานุพาเวนะ พุทธรตัณห์นังธรรมะตนานังสังขรตัณห์นังจินตังรัตนานังนังอนุภาเวนะตตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัติยานุภาเวนะจินตะวากานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมมังคาราวินาสันตุ อายุวัตถกาธนวัตถกาสิทิวัตถกายะสวัตถกาภะวัตถกาวันวัตถกาสุขวัตถกาหนตุสปะทาทุคโรโอคพิยาเวราโซกาสตุสปัตถวาอเนกาอันตรายาปิพินัสันตุจะเตชะสาชยาสิทธะนังลาพังโสทิภาคกยังสุขังพลังชิริอายุจวันโนจ่ โกคังวุฒิจยศวาสตวัสาจะอายุจะชีวาจิตที่พวันตุเตภวตุสัพพมังขลังาราขานตุสาะเทวตาสัพพุธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัพพโสธีภะวันตุเต <c oughs> ความดีที่เราต้องการที่ให้คนอื่นนะอย่างที่ความที่ท่านไฮคอนนะฮะจะต้องกวดน้ำด้วยน้ำหรือเปล่าซึ่จะได้ถ้าตาหลักกรรมนี้แล้วเราจะไม่เราไม่กวดน้ำมันก็ได้ เป็นคนทำขั่วนี่ไม่ต้องกดน้ำเพราะความขั่วมันก็ได้ชั่วเไม่มนาะวนอื่นการทำดีก็เราไม่กดน้ำมันก็ไม่น่ามันก็ไม่น่าจะผิดนะมันต้องได้ <laughs> มันต้องได้คนดีต้องได้ความดีดเสมอการกดน้ำคนอื่นช่างก็พูดไว้ในหลักทำถ้าไม่ขัวก็ไม่ผิดอุทิศทางน้ำใจคือเราอุทิศหมาย ถ, ถึงว่าเจาะตรงแก่คนนั้นคนนั้นหรือหัดพวกไหนจังพวกไหนก็ตามก็เป็นเจาะตรงอุทิศอุทิศสา ม, ปสา ม, สามแปลว่าเจาะตรง มันจะปวดทางน้ํำใจก็ได้กรรมมีหลายขั้นอาจารย์ก็มีจะพูดขุกครั้นะครับไม่ได้ปวดน้ํานั้นนี่แต่ว่าการทำเพื่อประโยชน์แใ่โลกทําไม่หยุดแต่ไม่ปวดน้ําถ้าผิดก็ผิดมากที่สุดอาจารย์เข <c oughs> ามีทําม่หยุดทําบางคืน้งจนนอนก็ไม่หลับแต่ไม่ได้ตรวดน้าสักทีไม่ทราบจริงถ้าผิดก็ผิดมากแแน่ใจว่าไม่ผิดสองอยา การตรวจน้ำก็การไม่ตรวจก็ผิเพราะมันเป็นคำบนระคันระขันคยอาะคันขึ้นไปถ้าเรนที่แย่ใจแล้วเรไม่ตรวจก็หน้เพราะธรรมะเรื่ออนุพิกคาผู้ที่จะแสดงธรรมขึ้นไปโดยลดับลำัอนุพิธถาหมายถึงการแสดงธรรมขึ้นไปโดยลดับตั้งแต่คำขั้นต่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหัขึ้นไปเรื่อยขั้นสูงสุดแล้วการตรวจน้านี่ก็เป็นคำเปขั้นเป็นขั้นเปนขั้นเอย นี่การถามก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังหลายให้เข้าใจกันอาการย์มีตอบพันทีได้เข้าใจกันส่วนน้ําธรรมดาก็มีวดทางน้ําใจก็มีน้ำธรรมดาก็ต้องมีน้ําใจเป็นส่วนประกอบถ้าเป็นเพียงคยแค่แคน้ำแค่แคน้ําใจไม่มีก็ไม่เกิดเพราะ น, น, น, นี่เป็นพยานของน้ําใจการส่วนน้ํานี่เป็นพยานของน้ําใจว่าแล้วได้ทําอย่างนี้เห็นร่มสาคัญอยู่มากในที่นั่งในน้ําใจแต่สอถทางโทษกับ คือเวลาขวดน้ำนะฮะเอนนี้าขวดน้ำภาษาบาลีผมว่าผมจำภาษาบาลีเวลาวที่ทททมุ่งพูดาษาไทยผมอยู่ใจเกิดข้อผิดพลาดภาาใจมีภาษาเดียวแล้วล่ะอุทิศกล่าผู้ใดก็เป็นอันอุทิศเป็นที่มุ่งแล้วใจมีภาษาเดียวภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีก็เป็นมีภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งหนึ่งนะแต่ภาษาใจมันมุ่งสดสเฉพาะเช่นถึนงคนไหนที่เป็นภาษาเดียวมันทัดเจนแล้ว ได้แล้วเลือนได้มุ่งตอบนนั้นคนนั้นได้ีดเทปยังเปิดอยู่เลยยังอัดอยู่เลยเนี่ยอัดอัดไปเลือกก็ได้ปัญหาขึ้นเรื่อยตอบไปเรื่อยันฮ้ยต้องปิดเมื่อตอบจบแน่ๆแน่ใจครับกรที่เราทำเมื่อตอนที่เรายังไม่เื่อผลในกรรมเนี่ย เมื่อสมัยเรายังเป็นเด็กไม่ได้ภาษาเนี่ยครับเราควรจะทําอะไรตอบแทนสิ่งที่เราเคยทําไปแล้วเรากระทาดีตอบที่แล้วเป็นผู้ใหญ่เราทำดีได้นะตอนเราทําไม่ดนะีตอนเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เรากระทาดีตอบเด็กจรงที่เด็กเวลาเด็กมันโง่ผู้ใหญ่ถึงมามันฉลาดก็แก้กันอยูนั่นที่เข้าใจมไหมล่ะเดี๋ยวเราเาเข้าใจนะแต่อย่ให้การผู้ใหญ่ก็ได้ยิ่งโง่ไปนะ ตรงนี้มันแก้กันไม่ได้มันจะเพิ่ม <laughs> แต่มันไม่ลบล้างกันฮะถ้าว่าเรื่องลบล้างได้ก็มีลบล้างไม่ได้ก็มีถ้าว่าลบล้รบราง ม, ม, ม, มาได้กันเฉยๆแล้วพระพุทธเจ้าจะบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะเกิดขึ้นมาในธรรมการแห่งกิเลสทั้งหลายนะทีม น, นี้ไม่ใช่ของดีกิเลสเป็นของชั่วธรรงนั้นถ้าว่าลบล้างมาได้แล้วพระพุทธเจ้าแล้วสาวกหลายจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ทีนะีะ แต่ส่วนที่มันจะปิดด้อยมาตามท่าตามขันนั้นยังเป็นไปได้เช่นท่านนี้นเราเคยทานั้นนใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามลบล้างเลยนะพลาณาจิตใจนะแต่ทั้งท่านทั้งขันมันยติดตามมันได้อยู่ก็มีแต่มันได้แต่เพงเปลืองเงินเท่านั้นรูเมเงินจริงไม่ได้เห็นว่างพระพุทธเายังมีเผลออะไร แต่เพราะครับคือการชั่วเนี่ยนะฮะเมื่อเราทําไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่เราไม่สร้างเลยจริงๆว่าเราได้ทำควาชั่วดีไปแต่พอทําลงไปแล้วนะการทําทำลงไปแล้วพราะคนอื่นจะร้องทำอะไรอย่างไร <c oughs> เราก็ระลึกระลึกผิดในนั้นนะค่ะระลึกผิดในนั้นเราพร้อมที่จะจะให้ก็เอารปจับไปแต่หูโปแหนอะไรก็แล้วแต่ ะ, ะอันนั้นจะถือว่าเป็นการลดร่างคามช่วดีหรอใช่ <c oughs> ถือเป็นการแก้กันอ เป็นการถูกต้องแล้วเ น, นถูกต้องอตัมีแค่อยู่ยยยเยอะแค่ไ้นนังัเย็ <c oughs> นนะยนมีแต่เทมเป็นหมนอเครื <c oughs> ่องหนึ่งไปแล้วรเนี่ยหางเียไปแล้ว <c oughs> รือเนี่ยนี่อ๋อป่วยมาวางไวจุนี้ <c oughs> แล้วเหนือฮะงานนี่จะแทบเต็มไปหมดอัดตรงนี้ทำ ด, ดีนะเนี่ยอัดตรงนี้ดี <c oughs> นี่อัดไปตรงโน้นอัดตรงโน้นแล้วมันมาอัดถึงตรงนี้แล้ทีอัดเข้าตรงนี้ม <c oughs> ีอะไรอีกอะนี่จะเคลียร์กันมากนะ <c oughs> อาฮะเออคำที่พูดกันว่าเเบื้องจะเพื่องฟูรอยนั้นเต้าน้อยจะถอจบเนี่ยจะเอาหลักการมันที่ฮะคุณบื้องจะฟูนั่นหมายก็มั่งไอ้่าไปใช่ไหมมาดมาดขมันก็เบื้องก่อนคนชั่วจะได้ดีคนดีนจะได้ชั่วความไม่ดีเันชั่วเขาจะได้ดีได้ไงลองว่าสิ คือเรื่างคนทั่วจะได้ดีก็ได้ยังไงเรื่องคนดีก็ได้ช่วกได้ยังไงเอาว่าให้จารฟังก่อนความนี้ยังไม่แก่เลยทำท่านที่ว่ากระเบื้องจะเคื่อนฟูลอยมันก็คือมันสิ่งทีงเป็นไปไม่ได้แะ้วน้นเต้าน้อยจะถอยโจมก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นในเหตุการณ์ปรจจูงมันเป็นไปไม่ได้งั้นหลักของกรรมก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันทำดีจะได้ชั่วนี่มันเป็นไปไม่ได้ทเชั่วจะได้ดีนี่เป็นไปไม่ได้ คือในนี้ครับคนเข้าในสมัยในในในสังคมของไอ น, นี้นะฮะเขาบอกว่าไอ้คนที่มาทำความเร็วนี่ น, รน ะ, ะนรวยครับในเขาเป็นขอความดีในโลกนี้เลยนะฮะทีนี้ว่าคนที่ทาความดีชื่อสัจจิชนมาไส่โกงไม่โกงกินก็ไม่กินกันจนอย่งนั้นก็เป็นโง่มีสัจตินิดอย่างไรลักษณะอย่างนั้นนะเพราะอั้นเราเป็ น, น, นเข้าใจ เพราะงั้นเกิดสมมว่าาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องการคํามรวนเนี่ยเข้าไปต้นมังกรดนเนี่ยอาจารย์เป็นหัวหน้านีิจะวะอาจารย์ดีไหมละ่ะอาจารยพัลลกสิทธ์เขาจะต้นในมังกรดนเนี่ยเพราะเราเวลานี้เราจนจะได้เงินมากแล้วไปต้นในมองอุดรนี่ทั้งเมืองเลยล่ะแล้วเราเบยเงินท่องมานี่อาจารย์มหาเบวนี่จะมีชื่อเสียงบ่งดังไม่ว่าอาจารย์ทำเบยดีมากพัลลกสิทธ์ต้นได้ฮะ ได้ครับอันนั้นมันชัดเกินไปครับเราต้องให้มันชัดต้องให้มันชัดที่เราต้องให้มันชัดอย่างนี้ตัวอย่างลนะฮะถ้าไ่ก็ถามกันไม่ได้นใช่ไหมที่เากงเาโกงอย่างหีกงก็เจ้าว่ามันกงอยู่แล้วมันอ่านจะมันเอาอะไรมาดีมันโกงอยู่แล้วลูกกัมันโกงอยู่แล้วอาจารย์พาไปปนก็ทราบอาจารย์มาปนอยู่แล้วมันตรงไหนไม่แกลงไหนมันแ้ลที่ดูมันเหมือนกันนี่เราพูดตามความจริง โกงเขาก็ชาว่าะโกงอยู่แล้วได้เงินมาตั้งร้านตัลร้านได้มาด้วยความโกงมันจะดีอะไรนั่นนั่มันดีแล้วหรืออย่างนั้นถ้าดีก็สอนกันให้โกงกันทั้งโลกนี่เป็นไรโลกอีกจะได้เจริญเอาคนนั้นพังนั้นพวกเราในฆ่ากันโกงกันเดียวนี่จะเจริญไหมล่ะโกงโมันมันมัตัวอย่างนี่ครับอาจารว่าน like like э> so ั่นแหะตัวอย่างนั่นแหละอย่างคนที่อยู่ด้วยกันนี่นะครับอย่างคนที่ทํางานราชการงานเตรงอยู่ด้วยกันนี่คนหนึ่งเนี่ยไปจบคอร์สถือว่าเป็นเป็นเป็นกรรมไม่ดีใช่ไหม มันก็ไม่ดีแล้วใช่นะเขาบอกว่าเขาก็ก้าวหน้าไปกก้าหน้าโดยความสอพอนั่นแล้วเนี่ยมันจะกล้าไปไหนมันกล้าวดยความซอฟเพอร์มันจะกล้าไปไหนมันขึ้นฟางเมฆมันก็ไปดยความสอฟพอร์น่มันจะเลยประธิดจันทร์มันก็โดยความซอฟพอร์เขาบอกเาก็ทอดอยนะครับมันทอดผ้อยนะครับคือบางคนเราเขายังไม่ถึงไอ้ค้าหลอกินปลา มันรอดไว้ไม่ไม่อยากจะทําความดีแหะอยากจะมาุบสอพอแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าไอ้จิตเดิมมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่อางนั้นอาจารย์ก็เหมือนกันอาจาอาจารย์สอพออาจารย์ม่นสอพอจะจนจะจนแบบลวงตาบัวดีกว่าเแต่หลวงตาบัวจะอยู่อย่างนี้แหละสอพอไม่เป็นใครจะว่าลวงตาบัวชั่วกว่าชั่วไปลวงตาบัวจะอยู่แบบนี้ก็นี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนั้นเรื่องของโลกมันอนิยามไม่ได้เรื่องของกิเลสมันมีเล่มีเดียมีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเอามาเป็นแบบฉบับไม่ได้ นั่นไม่ใช่แบบฉบับแบบฉบับที่จริงคือหลักคําที่จะโลกเขามีความล่มเย็นการโคดการโกงการรีดการขายกัรมันดีเมื่อไหร่มันเดือดร้อนจะตายผู้เดือดร้อนมันดีแล้วหรออย่างนั้นคนหนึ่งว่าตัวดีคนหนึ่งว่าเดือดร้อนนั่นมันดีแล้วเหรอนั่นมันไม่ดีมันไม่ถูกมันก็ไม่ดีอย่างนั้นเข้าใจแล้วเหรอดีเวลาตอบคำถามก็ได้คําตอบหรือไม่ถามก็เป็คําตอบนี่ว่าไง เราเป็นนักกีฬาฟาดกันลงไปเลยอาจารย์ไม่ว่าอะไรเแต่เวลาเสียงมันดังขึ้นบ้างก่อนจารุนาระวังนะเวลาฟ้ามันไม่มันไม่มีเสียงฟ้ามันฝนก็ไม่ตก <c oughs> มันต้องกระหึม่มกระหึ่มบ้างเปี้ยงนุ่นเจี๊ยงนี้แล้วฝนตกมาบางทีมันอาจเย็นใครไหมละ่ะเหตุการณ์ปัจจุบันนะอาจารย์มันทําให้เราเห็นตัวอย่างที่มันมันไม่เหมือนกัน คำตังสอนนะแต่ไม่ใช่ว่าคำตังสอนไม่ถูกนะฮะเป็นต้นว่าคนที่มีการศึกษาดีมีเนมีทอร่ารวยเนี่ยมักจะไม่สนใจในศัฒนานะถือถือนิดเดียวว่าทาไม่ท้าคนอื่นเดือดร้อนพอพ อ, พอใจแล้วนี่พื้นฐานของข้าที่เกิดมาร่ารวยเกิดมามีสติปัญญาสูงเนี่ย มันแสดงว่าพื้นฐานเดิมเขาดีคล้ายๆกับเราแค่เขาอยู่เคยเมื่อก่าอนได้ความพื้นฐานที่ทีสมบัติเขาได้มาเขาได้มาด้วยวิธีใดือขึ้นว่าพ่อแม่ร่ำรวยมาอ๋อร่ำรวยแล้วเขาดป็นอ๋อนั่งกลาเป็นพื้นฐานแลในส่วนนั้นของเขาดีเสียเนยถ้าเขาไม่ทําต่ออันนั้นมันก็ไม่ต่อครเข้าใจหรือเปล่านส่วนที่มันดีมันก็ดีส่วนไม่ต่อมก็ไม่ต่ออยู่นั่นแหละครับมันก็แปกชื่อว่าแปลกไหม เมื่อมีกรลัดีมาแล้วมันก็น่าจะต่อไปได้เหมืนกัเลยบินที่มันวิ่งวิ่งมาด้วย iPhone มันก็น่าจะวิ่งไปแรงถ้าเวลามันหมด iPhone มันตกไหมแล้วบิน่ะตกเวลามัน iPhone มันนี่มันตกเขาไม่พูดกันบ้างเบื้องเรือตกที่ถ้ามันพุ่งประท่าเดียวเวลามันตกมันยังนี้เนี่ยเพาว่าอะไรบ้างบางทีตอนที่ควรจะว่านีอยู่ไม่พูดนี่มันแปลกมันแปลกตรงไหนเวลามันหมด iPhone มันตกแล้วมันแปลกอะไรไอคนนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเวลาไม่มีที่สอมันก็ตกได้ อ้าเข้าใจแล้ว่ามันพุ่งพุ่งเวลามันตกไม่พูดอันนี้ก็เวลาเขาพุ่งุ่งเขาพุ่งไปนะถ้าไม่ต่อก็ไม่มีน้ำมันมันหมดน้ามันก็ตกได้เหมือนกันแหละเพราะนั้นเราจึงเพิ่มน้มันเรื่อยๆนะถ้ามันอยากให้เรืบินเราตกให้เิ่มน้ามันเรื่อยๆมันจะคอยผลักพาเไปเรื่อยๆหอว่าแปลกใจว่าทำไม กรรมดีมันพุหมดเอเค่ในอ้าวมันหมดไปหมดได้ของโลกอนิจจังอยู่ในโลกอนิจจังต้องหมดได้ด้วยกันดีก็หมดได้ถ้าไม่ต่อกินอยู่เสมอเสมอมันก็หมดได้ชั่วมันก็หมดได้จ่ว่าไงมันไม่หมดจริงๆมัแต่พ้นจากสมมุดนี้แล้วอย่างพระอรหันต์ท่านอันนั้นท่านไม่หมดท่านไม่มีท่านไม่หมดนั่งคือมันพ้นจากสมมุดแล้วอนั้นท่านอยู่ในกฎของสมมุดนี้แล้วย่างไรมันก็ต้องไปลุ่ลุ่มนอนอยู่นั้นเสมอแต่ยังไงก็ตามขอให้ดี พยายามสร้างดีไว้จนกระทั่งมันสามารถที่จะพ้นไปได้ความดีเท่านั้นที่จะทำให้พ้นไปได้นี่พอใจโลกอ น, นิจจังอ น, นอนิสงสอนเสมอดีก็เป็นอนิจจังชั่วก็เป็นอนิจจังเพราะมันอยู่ในโลกอ น, นิจจังแต่อันนี้จังมันต่างกันกคือความชั่วเกิดขึ้นมานิดนึงก็ตามมันก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไห ความดีอยากให้เกิดให ะ, ะสร้างความดีให้มีความดีให้หนุไปเรื่อยๆอย่างพรุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นวิสุชนออกจากความนีทั้งนั้นหนุกันไปจนกระทั่งพ้นไปได้ความชั่วไม่มีทางพ้นมีทางจมเรื่อยๆ เ, เ, เอาตรงนี้ทำไมเอ่อภาพสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามันเป็นไเหมือนไอพ่นใช่ไม่เด็กกนิ่งเรื่อยแต่กราถึงไไถึงขั้น ถึงแลาวก็ไม่ตกแล้วเหมือนอย่างเราบินมื่อมันถึงที่แล้วมันไปจอดแล้วมันก็ไม่ตกรถยนไปถึงที่แล้วมันก็ไม่ตกใช่ไหมล่ะถ้ามันยังไม่ถึงมันก็มีลาะมันที่ลงคลองก็มีขับไม่ดีอถ้ามันถึงที่แล้วมันไม่ตกแล้วทำไงมันก็ไม่ตกเพราะไม่ขึ้นมันจะเอาอะไรมาตกใช่ไหมล่ะถ้าขึ้นมันก็ตกถ้าแล่นมันก็ลงเนี่ยมีขึ้นมีลงถ้าไม่ขึ้นไม่ลงแล้วแบบมันก็หมดปัญหาทุกที่ยากถึงจุดแล้วที่ไม่ขึ้นไม่ลงคือคนจากโกดธนี่จัง นี่แล้วอันก็หมดปัญหาที่เราจะพูดที่เราพูดที่นี้เราพูดเรื่องอ น, นิจจังต่างหานี่อีกอั น, นเรื่องอนัตตานี่นะคือถ้างเผื่อมันเป็นของที่รอกกายแล้วก็เป็นสิ่งของที่เรารักใช่มากมันก็นึกออกว่อัอนนี้มานอนัตตามันจะสูญ <c oughs> จะหายจะพังก็ไม่คอยบว่าแต่เนี่ยมันมยี่กล้คิดตัวเข้ามาเป็งของที่เรารักมากทายัางไงที่จะ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 ถ้าพยายามแล้วข้างนอกข้างในมันตัดได้เท่านั้นถ้าตัดไม่ได้พุทเจ้าไม่สอนเพราะทานี้เป็นสัพหะทำตราบได้ชอบแล้วทรงรู้ทรงเห็นผู้สืบตัวอย่างทั้งภายนอกภายในตัดได้ทั้งภายนอกภายในแล้วถึงนำมาสอนโลกนะโหเรา้ตัดไม่ได้แต่จะให้มันขาดถ้าไม่ได้เนาะไม่ได้กินแต่จะให้อิ่มข้ายโยอื่มันก็ไม่อิ่มครับในอย่างนี้นะฮะคณะตาทุวา ถ้าเผื่ว่าในโลกของเราทุกวันนี้วงนั้นคงอย่างนี้นะฮะถ้าทุกคนเราเนี่ยนะฮะหมะายว่าไม่ทําเด็ขาดใช่หือไม่สนใจใครจะมาเอาอะไรก็ตามบ้านเมืองเราจะเจริญยังไงะะอันนี้มุกอยู่ในโรเซีย์โลกีย์นะฮะไม่ใช่โลกนะครับลองทำกันบ้างเหลือล่ะแด้บอกได้ลองทํำทุกคนเลยลือว่าทุกคนนะทําเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเมืองเรา ไม่สแตจก็ไร้เลยในบ้านเรนาเจะเรียนไหมเราได้ทำกันบ้างแล้วยังก็คิดว่าถ้าทำมันคงจะไม่เกอนถ้ติดตามภาษาผมนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรจะตอบตามภาษานะใช่ไหมไอ้ <c oughs> ขัาธรรมชาตเฉยก็ใช้ตอบธรรมามตอบไม่ได้จึงของงดอันนี้ไม่ตอบ <c oughs> มีเป็นาตอบแล้วเนี่ย น, นุ่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 ให้จะเอาผลมาแล้วเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ที่ผมยังไม่มีผมต้องพางมาตามเหตุมานะไอะนี่เหตุเป็นยังไม่มีเลยตอบผลก่อนแล้วมันตอบไม่ได้ขังจริงดเนี่ยก็คือการตอบแล้วนั่นเอ ง, <c oughs> งยังไงหมดปัญหาแล้วที่จะพักนอนกันนะเจ็บนี้กําลังขนาดนี้กําลังนอนกําลังกิน นอนก็นล่มกรอกเลยถึงหมอนมาถึงช่งางก็คุยคุช้างัอยคว้าหากันถ้าจับคว้านะคราวนี้เอาจริงๆหลับครอบเลยมีอะไรอีกอ่ะมีปัญหาอีกไหมอาจารย์ น, นิสสาวว่าไงคุณอนะาจาร์าวาความจำพุทธบวรนี่ก็ทำความราความดีไปเยอะครแต่ทำไมท่านถึงมีเรื่อง ไม่ิีหนักก็เราอย่างคนธรรมดาเนี่ยถึงหลวงพุธก็มีพระเทวทัตมาป่นถึงลงมาจะเขาเจอองค์พระส่วนท่านแบบเนี้ยอ๋อดูทีละเดินชมในป่าดูบรรยากาศเราเรายังมันยัเห็นเราวาวานอยู่เลยไม่เลยหาักระทำภาษาดคนทั่วกระทำภาษาคนทั่วใช่ไหมเร็กร้อยสิดกันแยะเนี่ยเยียมกับพระพุทธเจ้าเลย่รพุทธเจ้าท่านทำความดี มากเราไม่ับมีมีพันธะแล้วท่านยังมีสิ่งยร้ประเภทนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเรางี้ถ้าเผือว่าเกียบเทียบเรามีเราทำเต็มที่เดียวผมแค่เนี่ยเราไม่อยากมันพระเจ้านะแต่เราเรานั่งภาวนายูงมันกัดเราได้ยูงตัวเล็กๆเนมันมากัดเราได้ไม่ต้องพูดถึงตัวใหญ่เพราะเราเป็นคนเล็กน้อยไม่เหมืนพระเจ้ายูงมันไม่ว่าเอ๊ะดิพันหลังภาวนานามไ่เห็นว่ามันมันกัดได้มีเรื่องของยเป็นอย่างนั้นเข้าใจหมล่ะ องเหลือองดึงมาขันหน้ามิคือนั่งอยู่ที่ยืนอยู่โดยเดินกลมย่าง้มดมันาขันหน้าอะไาี้ยันทกากัดอันนี้เรื่องของมดมันเรื่องของยุงอันนี้มันเรื่องของเราที่เราจะทาดีของเราทด้วยกัอย่างร่งจ้าเขาจะว่าเราก็เฉยใคราะมีตีโทษใคาจะมาปู่พยาบาลอาภาษทพระองค์ก็เฉยเรื่องพระองค์พอเมื่อเราเดินมนั่งสมาธิทอนายุงกัดก็เฉยมดกัดมดกัดก็เฉยเจ็บออกเขี้ยามันเจ็บมากก็มันออกเี้ยก็เดินกลมขอเราไป ถามว่าเราเนี่เราเดินกลมตั่งเพรที่แท้ทำามาอยู่มากันเราเราอยู่สบายที่จะดีกว่ามันก็ไม่ดี <c oughs> พร<ว>ะพุทธเจ้าเขาเขามาทํางพกเจ้าอยุดเสียในพระพุทธเจ้าขเขาเป็นพระไม่ได้ฟังเรื่องคนชั่วเราประมาทไม่ได้ที่จะกล่ า, า, มมาเราเป็นคนดีเรามีขอบเสดจเรายู่มาแล้วก็ทำให้เาไปใช่ถ้จะมาเข้าใจถ้งอีก เรื่องกรรมเรื hmm. mm ่องเรียมันมีทั่วไปนะไม่มีทีุ่ทา้พระพเจ้าก็กาววเรื่องกรรมมันดูคล้ายๆแว่ามีกรรมหลือเยอะแยะนีกรรมส่วนทางอาจารย์ว่าเรื่องทีบากรรมที่มันเกี่ยวกับส่วนร่างกายมีได้ทางอาจารย์ว่าส่วนพรบริสุทธิ์นั้นมันมีอะไรที่จะติดกรมได้เลยเ่งกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องทีบากมันมีทางมีได้ทางพุทธเจ้าอาจารย์ขพูดได้ทีรท้าองเราพระเทวธาตนีอะไนี้เป็นต้น มันจะสมัยโน้นสมัยปลูกอาข้ากันอะไรเริ่มแรกแต่หายตึงกระดับปลูกสายก้อยสองวานอะไรไปขเขาแต่เขาเป็นชาติเป็นดีมาเป็นกูดีมาทนเห็นเป็นคนชื่อศัตรูจัลลิกถ้าเทวทัศน์มัเป็นเพื่อนถึงก็หายกันที่เข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยพ้าเทวทัศท่าท้ไปก่อนมีเริ่มแรกที่ต่อเพื่อนกันน่ะ เนี่ยเปเบื้องต้นหมือล้วเนี้ของใครล่ะทีนี้พอเอาเครื่องระดับแตกต่งางๆไปขายแล้วก็มียายคนหนึ่นงเขบหลานไม่มีเงินเป็นคนจนแล้วมีถาบทองคำผ่านหนึ่งเกาเป็น็นสนิมจับเกลางหมดแต่ไม่ใช่สนิมนขวกองคำนะสนิมที่ว่าตกก็ป ก, ป ก, กได้พูดง่าย ก็แม่ไม่มีอะไรแต่อยากได้เครื่องกระดับนี้ใ ouais? ห้หลานแล้วแม่มีถาดใบเดียวเนี่จะให้แม่ทนายก็แม่ก็ไม่ว่าแต่แม่ขอเอาถาดให้เกียนลูกเห็นว่าไงแล้วท่านนี้เขมองเห็นพระเถรทานนะเขมองเห็นเขาโอบอุมันถาดคงทันเโอ๊ยของอย่างนี้เอาไปยังไงนี่ของเก่าแก่มาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้เห็นใช้ไม่ได้ว่างงินนะแล้วใจก็มีความก็หวลอยู่แล้ว ยังไงเราต้องมีหวังเราไปขายของสื่อไปก่อน <c oughs> แล้วที่กลับมา <c oughs> พอพดีพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็ไปขายแบบเดียวกันแล้วน เ, ว น, เวน่ยไปพอไปเห็นเหลยาตัวนั้นก็มาหาอีอย่างว่างน่โอ้โหคุณแม่ของนี่มันของมาตัง้งแต่ร่างเดิมนี่ผ่าไม่เป็นถาของคำราคาทั้งหมดที่ของทกลูกออกมาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันกับนี้ของนี่มีคุณค่ามากมีราคามากถ้าคุณแม่จะเอาก็ ก็ไม่ว่าจะยกจะยกให้หมดนี่ก็ยังไม่พอกับค่าของสงครามในถาของแม่นี่นี่เลยว่าว่าง่ายเลยแล้วจะยกขานให้เลยเพรานั้นก็ย ก, ยกให้ของทั้งหมดเลยแล้วก็ไปพอเขาเจ้าทัพจขายของหมดแล้วกลับมาจะมาเอาถาดที่ไหนได้คนนี้ไปได้นั่นหลับผูกอาฆาตของนั่นขอกรรมกรเวงกันมาตั้งอย่างบั้นั่นเรื่องเป็นั่นเข้าใจ ในริเวณของขอ ง, ง, งพระเจ้าแท้กบพระพุเจ้าเริ่มต้นมาตั้งนั้นคือโลคมาโกโรคโลคโรนักนักลาบหายน่ะลาบหายแล้วกาะเวรที่มาน่ะที่จะขายที่อยู่นี้ก่อนที่จะกลับมาเอามั้งนะก็อยู่ในเนื้อมือเราเนี่ยไม่คิดว่าคนอื่นเพราะก็มือมือมอันนั้นนึกว่ามีเนื้อมือแต่ตัวเองเข <c oughs> <c oughs> าเอาไปกิงเนี่ย่ซะเรื่องเป็นต้นไนมันเป็นไนนปนได้เรือ่องกรรมที่จะติดตาม ที่บาทสะขันนม่ท่านเป็นทหารแม้ท่านมีแต่จะไม่่สามารถที่ให้คุณภาพที่ดใจให้ท่านให้เป็นความเอียงๆระามนั้นได้ไม่มีปัญหาอนไเงานที่มีสัญหาที่สามตัวนี้ลงมาได้หรือยังถ้าใช่อย่างนั้นถ้าดูคนเราธรรมดาทีถ้าเผื่อว่า สมมติว่าจะไปสิงข่าสุด้าติน่ต้องไปใช้กรรมอะไรหนักหนัแบบพระพุทธเจ้านี่เนี่ยจะไปจบเป็นเราเป็นปนั ก, นนกต่อสู้แล้วอะไรมาแล้วก็สู้กังหมดัแหละเข้าใจไหม <c oughs> น่ะเรานักต่อสู้วางไงตั้งแต่เรามาจากกรุงเทพมานี่อะไรที่ลถไม่ดีมันมันเสียไปตรงไหนเราก็ต่อสู้แก้ไขไปจนมาไา้ว้างไงพอเราตั้งหน้าจะมาเราไม่ถอยเอามากระทั่งถึงนี่ได้เนี่ยให็นไหมน่ะเดี๋ยวเราไปถอยแล้วก็อยู่นู่นเลาไม่ได้มาแล้วนี่ อมี่เราแสดงว่าเราไม่ถอยใช่ไหมอันนัาจเหมือนกั น, นกรเราก็ไม่ถอยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจะไถอยไปยังไงหมดปัญหาแล้วยังข้ อ, อนี้เอไม่ถอยนี่ไปจนถึงจุดจีมหมายอยางแตกแตกระเบิด ร, เ บ, ดรเบิดไปชีวิตเราจึงมีอยู่หามาส่หม่ปลายเรื่องจนถึงจุดหมายปลายทาง ตอนพุธห้าสิบก pues yes> ี่ออกกี่ครั้งเจ็ดโมงคนงานก็กินข้าวเสร็จไปไม่สายเลยแปดทีนี่อีกไหมอะเนี่ยอีกไหมปัญหาตอนนี้ก็เพื่อนั่ มันจะมีปัญหาเหื่อยจะปัญหาเดียวการ ก, ก็ข้างปัญหานี่ต้องการมนาลึกขึ้นหลาก็ข้างปัญหาอันเดียวนี่เหมือนกันเป็นไงออกจากนี้แต่ก็นอนระวังมันเหนื่อยจะตายไปแล้วนี่นั่นแหละปัญหาเดียวเ ห, น, เหนื่อยอ่ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าาเนือยนี่ผมเยน่อยปัญหานอนออ น, อนั้นแหละก็ต้กานอย่นั้